ขันแปลว่ากองของธรรมธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขัน์แจกออกไปจากกองธรรมคือการท้งนั้นได้แก่อายตนะคือว่าจักขวายตนะได้แก่ตาไปจนถึงมานายตนะได้แก่ใจเป็นที่สุดดังนี้ตั้งแต่จักขวายตนะได้แก่ตาคู่พวกเรานี้ไปจนถึงกายายตนะได้แก่กายห้านี้ เป็นส่วนของรูปขันคือกายของพวกเรานี้มะนายะตนะที่หกนี้เป็นส่วนใจของพวกเรานี้เองอันอยะตนะหกอย่างนี้เอ่อนแปลว่าเป็นบอกเกิดแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมอัพญาตกรตัธรรมทั้งหลายมันเกิดมีอยู่ในใจในกายของบุคคลเราเป็นประจำเป็นนิดอยู่แล้วนี่เองจากนี้มหาภูตธาตุสี่หรือธาตุหก มีอากาศธาตุจนถึงวิญญาณธาตุเป็นที่สุดธรรมธาตุเจตมีวันโนธาตุไจนถึงพระวังคธาตุเป็นที่สุดและธาตุที่แปดที่จัดสุปธาตุรูปธาตุจะกุญญาณธาตุไปจนถึงวโนธาตุธรรมธาตุทั้งหลายอื่นจนตลอดทำแปดมื่นสี่พันธรรมขันธ์พระองค์ก็ยังบอกว่าขันธ์ขันธ์อย่างนี้ เมื่อมีขันก็ต้องมีธาตุด้วยทุกหมวดของธรรมไปทีเดียวเหตุนั้นที่พระองค์วางคาสอนไว้ในคำภีของชนทิ่ที่วางขันไว้เพื่อให้บุคคลผู้มีวาสนาได้เรียนกันว่าให้มีตั้งธาตุตั้งขันขึ้นเป็นหลักในการเรียนแปรหนังสือกันนั้นก็พระองค์ต้องการให้ผู้เรียนนั้นให้รู้จักธาตุรู้จักขันอันได้แก่ตัวของบุคคลและจัดว์ทั้งหลังที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวของบุคคลและจัดทั้งหลายในโลกนี้ ต้นแต่ได้มีธาตุมีขันธ์ตั้งขึ้นมาเป็นตัวของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายหากมีบริบูรณ์อยู่แล้วพระองค์หวังให้ผู้เรียนนั้นได้รู้ดีว่าธาตุขันธ์รูปกายใจของบุคคลตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อกายใจของบุคคลและสัตว์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้มันก็เป็นอนาาัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครเลย บุคคลใดมารุ้าธาตขันได้ดังนี้นั้นผู้นั้นก็มีใจเบื่อหน่ายในาธาตในขันอันเป็นตัวของตนขึ้นมาในใจของผู้นั้นก็วางาธาตุวางขันอันได้แก่ร่างกายใจของตัวนั้นออกใจของผู้นั้นก็ตั้งลงเป็นองค์สมาธิสมาบัติเป็นมัตเป็นผลขึ้นมาตามกําลังความรู้ความเชื่อมั่นของตนก็ค้นทุกข์กันเท่านั้นเอง พระองค์ท่านที่หวังในพุทธบริษัททั้งหลายมีใจรู้ธาตุรู้ขันอันมันตั้งอยู่มีอยู่บริบูรณ์อยู่แล้วในตัวของบุคคลทั้งหลายเป็นต้นนี้เพื่อใช้ผู้รู้ได้ควรทุกดังนี้ที่ใช้พระองค์วางคำสอนไว้ให้พวกเราเอาชื่อของธาตุของขันกันธรรมะแปดหมื 14, ่นสี่พันสัะธรรมขันนั้นมาตั้งลงเรียนการสอนแปล ก, กันเอาลมปากบอกกันไปผู้เรียนจาเอาเขียนกันไป ใจจาเอาเสียงบอกว่าธาตุฐานได้แล้วก็ว่าตัวรู้ตัวได้แล้วคำภีสนธิคำภีมูลดังผู้เรียนทั้งหลายพากันเวียนได้สนธิได้มูลกันอยู่หากมีใจหลงไม่พ้นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะผู้เรียนทั้งหลายไม่รู้ความประสงค์พุทธาอธิบายไว้ดังได้อธิบายมานี้และเหตุนผล น, นั้นถ้าผู้เรียนรู้คำพีสนธิคำภีมูล ขึ้นไวในพระพุทธศาสนาของท่านนี้ก็บัญญัติวางไว้เมื่อกุลบุตรได้พิจารณาคาดขันอันมีอยู่ในตนให้รู้ให้เข้าใจแจ่มใส จ, จนเอาใจก้าวร่วงคาดขันอันเป็นตัวทุกนี้วพ้นไปถึงสมาธิสมาบัติอันเป็นตัวพระนิพพานขึ้นมาในใจได้สมกับคำของพระองค์จะรัสนุว่าอักขันานันวันุเสุมกสัจาวิสุทธิยา ดังนี้แปลว่ามนุษย์คนเรานี้อันมีใจรู้หยุดข้ามกลางอกนี้เองเป็นฐานอันเลิศเพราะมีอริยสัจจะทำตีมีบริบูรณ์ในตัวของบุคคลเหล่านี้อีกหนึ่งกันเพราะอริ ย, ยรรสัจจะทำตีนี้เป็นบาดเก้าของพระองค์เดินเหยียบไปเข้าสู่พระนิพพานดังคําสอนท่านบอกไ้ว่าสัจจานังจะตุโรปาทาว่าพระองค์เดินเข้าสู่พระนิพพาน ที่เดินไปตามอริสัตตีเป็นสีร่รอบดังว่าปาทะแปลว่ารอยเท้าดังนี้จบขอยุติที่เทศนามานี้เป็นเดือนยี่ข้างขึ้นปีพุทธศักราช2470เดือนสามเพนของปีพุทธศักราช2470พระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิน่นได้นำบวงติมีข้าเพเจ้าด้วย ไปทําบุญมาคัพบูชาที่บ้านหัวงวตําบลไผ่ช้างอําเภอยะโสธรซึ่งเป็นบ้านญาติของท่านนิเทศปุชชาพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นกับอาจารย์ปริญคือเป็นคฤหัดเมื่อก่อนแกเป็นพระแกเรียนคำพีส่นทิคคำภีมูลเรียนคำพีมากแกเป็นครูสอนคำพีพวกพระและเนรและเป็นนักเศทศสามถสี่ธรรมาะมา เมื่อแกเสร็จแล้วพวกโยมผู้ชอบฟังเทศก็ไปเชิญแกมาเทศในงานของตอนอยู่เสมอไปฉะนั้นพวกโยมญาติของพระอาจารย์สิงห์พากันรู้ว่าอาจารย์ปรินมีการติดเตียนพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปรินว่าพระอาจารย์ทั้งสองนี้มีสอนกรรมาฐานแต่พวกไม่มีหลักเป็นแต่อสอนพระไตรสนะกลมไปเฉยดังนี้ต่างภาคกันเสียใจโกรธ ที่ได้ไปเชิญแกมเทพบูชากันกับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นในงานมาคะ บ, บูชาเดือนสามนั้นมีเทศปัญหาเรื่องประถมสมโพธเมื่อจบเทศนาลงแล้วโยมอาจารย์ริ่นจะได้ขอมอบตัวเป็นสิท์ถวายตัวเป็นโยนผู้รับใช้พระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นเนื่องจากแกเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายที่พระองค์เทศนาเป็นคมภี ต, ต่างๆไว้รวมสงเคราะห์ ลงที่ใจของบุคคลแห่งเดียวตามกระแสธรรมพระอาจารย์สิงห์ผู้ท่านแสดงสรุปใจความของธรรมะที่พระอาจารย์มหาปิ่นและอาจารย์ลินได้ปุชากันไปหยุดพักให้พระอาจารย์สิงห์แสดงสรุปใจความจนจบในการได้ปุ ช, ชากันมาดังนี้รูปกองทัพธรรมระกรรมฐานข้างแรงของเดือนสามนั้น พระอาจารย์สิงและพระอาจารย์มหาปิ่นจึงได้นำหมู่จิตทั้งหลายมีข้าพระเจ้าด้วยไปที่วิเวกจังหวัดขอนแก่นเพื่อเยี่ยมท่านพรครูพิสารฤาจัรยญาติของท่านด้วยเพื่อถึงลุกขมูลป่าชา้าบ้านโนนยางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเดือนสามแรนปกค่ำข้าพระเจ้าพักแรมอยู่ที่พักลุกขมูลกับพระอาจารย์ทั้งสองได้สี่วันแล้วได้ขอลาท่าน ไปเยี่ยมแม่ออกข้าพเจ้าที่ได้บวชเป็นนาคาวไว้ที่บ้านดอนเงินอําเภอคุมพวาปีเป็นบ้านเดิมของข้าพเจ้าเมื่อท่านอาจารย์ทั้งสองได้อนุญาตแล้วข้าพเจ้าเดินทางสปสามคืนถึงบ้านสอนแม่ออกให้รู้จักภาวนาและศีลธรรมเดือน6ของพุทธศักราช2471ข้าพเจ้าได้ลาแม่ออก กลับถึงพระอาจารย์สิงห์ได้ได้นำหมู่จิตได้พักอยู่รุปขมูลโคกขวาชา้าเหล่านาที่ตะวันออกเมืองขอนแก่นพระประเจ้าได้พักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ฟังเสียงพวกโยมคนเมืองขอนแก่นไม่เคยเห็นพระกรรมฐานตื่นเต้นเปล่าไร้ติดเตี้ยนเป็นไปสารพัดต่างๆนาน า, นาไม่ใช่เขาตื่นเต้นไปทางตัวทางเลื่อมใสเแต่พวกมุนชาวทัชพฤกตื่นเต้น เราได้เห็นพระพุทธเจ้าออกบันประชาใหม่ไปเที่ยวบินธบามานั้นพวกโยมมือขอนแก่งพากันตื่นเต้นอยากเห็นพระกรรมฐานจินตัดเรียกพวกพระกรรมฐานว่าพวกบักเหลืองคำว่าบักเหลืองนี้เขาว่าพระกรรมฐานทั้งหลายเป็นงูชงอางอีลาคทางเหลืองฉะนั้นจึงมีคนเขาออกมาดูพวกพระกรรมฐานเขาจาต้องที่มือถือไมคคอน กันมาแทบทุกคนเมื่อมาถึงหมู่พวกข้าพเจ้าแล้วถือค้อนเดินไปมาเพื่อดูพระเนงคที่พากันพักอยู่ตามต้นไม้และร้านที่เอากีงไม้แอมและมุงนั้นไปไปม า, มาแล้วก็ยืนเอาไม้ค้อนคำเอวยืนดูกันอยู่ก็มีพอควรแล้วก็พากันกลับบ้านเสียงร้องว่าเห็นแล้วละ่ะพวกบักเหลืองพวกอีลาบคำเหลืองพวกมันมาแห่ คือแทะหัวผีหลอนคือกระโหลกอยู่ป่ายชาโคกเหล่างามันเป็นพวกแม่แรงคือผีชิน้นหนึ่งชาวอีสานถือว่าเป็นตัวเสนียดทำให้ฟ้าฝนไม่ตกต้องให้หมอผีทำพิธีกับไล่ฟ้าฝนจึงจะตกต้องตามฤดูกาลจะอยู่ที่ไหนฝนฟ้าไม่ตกเลยจึงให้มันพาหนีถ้าพวกบักเหลืองไม่หนี ภายในสามสี่วันนี้ต้องได้ถูกเงาไม้ไผ่ค้อนไม้สแกรไปฟาดหัวมันดังนี้ไปตสางนานาจากนี้ไปก็มีเขียนหนังสือปรับฉลากบอกให้หนีถ้าไม่หนีก็จะเอาลูกทองแดงมายิงบูชาหลักดังนี้เป็นต้นไปบินทบาทไม่มีใครยินดีใส่บาทให้ฉันจนพระอาจารย์สิงห์ภาวนาคาถา คุณนิศึกษาวิชัยว่าแรงแรงไปเลยว่าตาบอดตาบอดหูหนวกหูหนวกปากคือกึกือคือเป็นใบไปตามทางบินธรมบัตนั่นแหละทั้งมีแยกการไปบินธรมบัตตามตรอกตามบันไดเรือนไปเลยจริงพอได้ฉันบ้างทั้งพระอาจารย์ก็มีการประชุมลูกศิษย์วันสองวันต่อครั้งก็มีท่านให้อวาดแก่ผู้ลูกศิษย์ดมีความอบอุ่นใจ ไม่มีความหวัดกลัวอยู่เสมอแต่ตัวข้าเพาเจ้าก็ได้อาศัยพิจารณากำหนดจิตตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธ ร, รมโมหเว ร, รัตติธรรมมะจาริงนี้อยู่เรื่อยไปรันยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์สิงห์ได้เรียกข้าเพาเจ้าเข้าไปหาที่วิเวกตามรานร่มไม้ในป่าชา้าข้าเพาเจ้าตามท่านไปถึงร่มไม้ดี บนมีเครือไม้ขึ้นคลุมปลายไม้ท่านมานั่งและพระจารย์สิงห์ได้พูดถึงเรื่องเร็วไห ล, อหลของท่านครูดีที่ท่านได้ขอร้องให้ไปจัดที่พักดอนปู่ตาบ้านตกแตงบ้านหนองขามบ้านหนองโจดริมหนองซองแมวซื้ออาศัยโยมหมอลําก้อนบ้านหนองโจดพร้อมด้โยมบ้านหนองขามมีศรัทธามาขอนิมนตขอพระจากพระจารย์สิงห์ ไปนำจัดสมณนักขึ้นพระอาจารย์ถิน่นจึงให้ท่านครูดีพร้อมด้วยหมู่ไปพวกโยมหมอลำก้อนได้นำหมู่โยมบ้านหนองขามไปทำร้านรุปขมูลให้พวกท่านครูดีพร้อมด้วยหมู่ในบ้านดอนปูซา น, นั้นยังไม่เสร็จดีพวกโยมบ้านโสกแสงซึ่งเป็นบ้านเขาไปตั้งก่อนบ้านหนองโจดบ้านหนองขามเขาไม่ยอมให้ทร้างสนั์เขาแบบปืน ถือดาบหือไมค้อนออกไปและดูดาบเอาพวกหมอลําก้อนและโยมบ้านหนองขามและท่านครูดีพร้อมด้วยหมู่จนท่านอยู่ไม่ได้ได้นําหมู่นี้กลับคืนมหาท่านพระอาจารย์สิงห์เรียนท่านว่าไม่ไหวเขาจะฆ่าตายดังนี้เป็นต้นต่อไปพวกโยมบ้านตกแต่งใช้อํานาจบังคับโยมหมอลําก้อนทําลายร้านให้หมดและให้ปลูกต้นไม้แทน ให้ผีปูตาเร็จพวกโยมบ้านตกแหงได้บังคับพวกหมอลำก้อนว่าไม่ให้ทำอีกเป็นอันขาดแล้วก็ให้ยุติกันไปพระอาจารย์ให้ปราบรื่องนี้ท่านมีการสำหนิท่านครูดีว่าใจน้อยคีดขลาดไม่เชื่อคำสอนของท่านเียงตัวตาอยู่ดังนี้เป็นต้นแล้วท่านจึงขอให้ข้าพเจ้าไป น, นำพวกโยมหมอลำก้อนจัดขึ้นอีกให้ได้ ถ้าท่านไม่ไจัดสำนักขึ้นในที่นั้นให้ได้อีกแห่งหนึ่งแล้วที่จำพารษาของหมู่พวกเราไม่พอกันอยู่เลยถ้าจะจัดหาจัดบ้านอื่นขึ้นก็ไม่มีใครเขาเกิดตัดพาความเลื่อมไสมาติดต่อพวกเราพอจะได้จัดสำ น, นักขึ้นได้พระอาจารย์สิงห์ท่านพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าพิจารณาดูในเวลาท่านพูดกับข้าพเจ้าอยู่นั้น รู้สึกว่าท่านมีหวังประโยชน์สองอย่างเพื่อแก้คนชาวมึงขอนแก่นและหวังประโยชน์แกมูลุสิตจริงๆเพื่อคนมึงขอนแก่นรู้จักพรกะกรรมฐานขึ้นดังนี้ข้าพเจ้าจึงขอโอกาสปรารภเรื่องจะระจัดสำนักขึ้นว่าบ้านโสกแสงเขาไม่มีความเลื่อมใสจึงเกิดการขู่เข่งรังควานให้ครูดีและพวกหมอลำก้อน ที่ได้เลิกสร้างสำ น, นักกันมาแล้วอย่างนั้นหากเปล่าวไปนำเขาจัดขึ้นอีกพวกคนชาวบ้านโกแสงเขาเกิดมารังควาเกล่าวจนถึงเกิดฟองร้องเข้าถึงโรมขึ้นศาลท่านอาจารย์จะคิดช่วก้าวอย่างไรพระอาจารย์สิงห์ท่าพูดรับรองข้าพเจ้าว่าบริงทั้งปวงเกิดขึ้นเกี่ยวกับจารย์สำนักนี้ผมขอเอาคอผมรับประกันท่าน เมื่อขอผมอยังไม่ขาดจากตัวผมแล้วตราบใดผมไม่ยอมไม่ท่านรับความยุ่งยากรับโทษอะไรเลยข้าพเจ้าเห็นว่าท่านอาจารย์ที่ใจประสงค์ให้เราไปจริงจริงจึงพูดรับรองการไปของเราจนถึงกับเอาคอประกันรับรองอย่างนี้ข้าพเจ้าเมื่อเรียนการไปของข้าพเจ้าว่าเมื่อกล้าไปถ้ามันเกิดได้มีการได้โต้กันกับเขาอย่างไร จะจดบันทึกคำพูดกล่าวและคำพูดของเขาส่งมาถวายพระอาจารย์ตรวจดูให้รู้ไปทุกวันพระอาจารย์สิงซึ่งก็ยิ่งยินดีและเลิกพูดกันวันหลังก็ได้นํำหมูเดินทางไปทางเกือบสามร้อเส้นจวนเทียงทุงบ้านหนองโจดบ้านหมอลําก้อนให้คนออกไปบอกหมอลําก้อนออกมาหาหมอลําก้อนไม่อยู่ไปหากิน จนค่ำแก่จริงมาหาพูดถึงเรื่องจะจัดสํานักขึ้นหมอลําก้อนก็พูดยอมบ้านหนองขามาพูดด้วยพูดแบบไม่ให้มีทางจะตั้งขึ้นได้เลยพูดไปทางใดพวกหมอลําก้อนก็ว่าถูพูกบ้านโกแสงก็ใช้อํานาจขวางไว้หมดเลยข้าพเจ้าจึงคิดว่าเราต้องใช้ศีลธรรมในพระพุทธศาสนาขับบุกลองดู รุงนี้เราได้บินถาดบ้านตกแสงเชิญคนคใกล้ๆมาพูดด้วยกันดูหลักพูดคุยกับหมอลำก้อนอย่ประมาณสามทุ่มหมอลาก้อนก็ลาเลิกกันไปตื่นเช้าก็พระเจ้าพร้อมหมู่ผ่านบ้านตรงไปบ้านผู้ใหญ่บ้านและบ้านขายกใครกับใครเขามาใส่บาตขอเชิญออกไป ห, หาผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ช่วยขายกกับจ้า คือหมอผีผู้เป็นสื่อการการติดต่อระหว่างผีกับคนผู้ปฏิบัติผีเพื่อร้อมกันห้าคนนำจังหันออกไปถวายพอฉันจังหันเสร็จผู้โยมก็รับประทานเสร็จสุดแล้วพูดสันไปขึ้นถึงบ่ายหนึ่งโมงกว่าผู้โยมบ้านโกแสงพูดว่าไม่ยอมให้ตั้งเป็นเด็กขาดเลยสุขเ้าพเจ้าจึงถามดูคากดอนปูตา คือสีประจำหมู่บ้านชาวบ้านจะสร้างตลาดขึ้นไว้สำหรับเส้นวาว้บวงสวงไปถางทิศใต้มีบ้านอะไรหมอหลำก้อนบอกว่ามีบ้านกุดกว้างดังนี้พระปราจ้าจึงพูดอีกว่าถ้าผู้โยมไม่ยินดีมีศรัทธาได้ตั้งสำนักวั ด, งดองค์กรปูกฝากของผู้โยมแล้วผูวอ้อาสาก็ขอเวลาเดินทาง สถาที่วิเวกที่ตั้งสำนักที่ใกล้เคียงบ้านถุดกว้างดูหลักผู้กบฏเจ้าเตรียมตัวเดินทางที่หมอลําก้อนโยมจานวนบ้านหนองขามเป็นต้นเอาของนําส่งแค้จริงกบฏเจ้าอยากถึงดอนปู่ตาว่าเป็นโนนที่เหมาะสมก็จะตั้งเป็นสำนักได้หรือไม่มันจะเป็นที่วิเวกพอคู่ปฏิบัติหรือไม่ถ้าตั้งสำนักลงไม่ได้จริง ก็พอได้ิปพูดเรียนพระอาจารย์สิงท่านทราบพอไม่ท่านเสียใจว่าตัวข้าพเจ้าเหลวที่จุดนี้หนึ่งก็ข้าพเจ้าจึงถามหาบ้านทางที่จะได้เดินผ่านดอนปู่ตาไปยเมื่อพวกข้าพเจ้าออกเดินทางไปพูกโวมบ้านโกแสงก็พาันเดินกลับบ้านเขาเดินไปตาเขามองดูพวกข้าพเจ้าเขาเห็นเดินไปทางดอนปู่ตาของเขา เขาพร้อมกันวึ่งไปบอกคนในบ้านเขาผู้ค น, นบ้านมีทิศพรตื่นหน้าวึ่งมือถือไมค์คอนถือดาบวึ่งออกหน้าของหมู่เขามาแต่ก็พระเจ้ากับโยมจา น, นวนถึงดอนปู่ตาก่อนและได้เดินไปดูที่ผีปู่ตาเขาแล้วทิศพรจึงวิ่งไปถึงตีนดอนเดินเข้าไปตามทางเข้าไปถึงริมมองเข้าไปดู เห็นเขาทําที่เตือนที่หน้าหอปู่ตาเขานั่นแล้วก็พระเจ้าจึงถามแต่ว่าโยมถือดาบมาทำไมทิพพรจะนั่งลงวางดาบและด้ามขวานแล้วยกมือประนมพูดว่ามาหาท่านนี่แหละเพราะมธุระณิ ม, มนท่านออกไปข้างนอกหาพวกผมที่พากันมารออยู่นอกปินดอนนั้นเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าจึงถามทิฏพรว่ามีธุระอะไรกันอาตมาก็ามาไหว้ปู่ตานี้มันผิดอย่างนั้นหรือทิฏพรพูดว่าผิดนั่นแหละขอรับข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นต่อไปว่าพระมาไหว้เจ้าปู่มีผิดพวกโยมที่ประกาศไว้ที่ไหนที่บ้านหรือที่ศาลอำเภอที่ไหนไม่เห็นมีอาตมาไม่รู้ไม่เห็น ก็จำเป็นให้เข้ามาไหว้แล้วแดนอัตมาเคยได้ไหว้ไปไหว้ที่เขาบ้านอื่นเมืองอื่นเขายกหอไว้ตามต้นโพในวัดหรือในดอนระหว่างหมู่บ้านในกลางเมืองตามหนองตามคลองต่างๆมาดบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ไม่เห็นว่าพระคนใครได้เคยไปไหว้ตาปูเขาก็ไม่เคยตือว่าผิดกันเลยนี่แต่เขาว่าดีซ้าอีก อาตมาไม่เคยไหว้ปู่มาที่ได้เข้ามาไหว้ปู่ของพวกโยมนี้ดังเคยได้ไหว้หมนั้นเมื่อตามาไหว้ปู่ของพวกบ้านโตกแต่งนี้ก็เท่ากับเป็นปู่เป็นตาของอาตมาด้วยเพราะปู่ปู่กต่นี้ก็ต้องหมายว่าคนแก่กว่าคนเป็นส่วนมากที่สมควรเรียกว่าเป็นปู่เป็นตาของคนผู้อายุอ่อนกว่าดังนี้ ท้าปู่ของพวกโยงนี้ท่านเป็นปู่มีอายุมากอายุหมดจนท่านตายไปจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วยังอาตมาก็จำต้องเรียกท่านว่าปู่อยู่ดีนี่แหละอาตมาจึงเข้ามาไหว้ท่านหากพวกโยงเห็นว่าอาตมามาไหว้ท้าปู่นี้ผิดแล้วก็ให้พว อ, ออกไปเรียกกันเข้ามาพูดกับอาตมาในที่นี้และอาตมาไม่ออกไปดอกถ้าอาตมากออกจากที่นี้ไป ก็จ อ, อกเดินทางไปบ้านกุดกว้างเท่านั้นแหละเพราะอาตมาไม่รู้ระยะทางไปบ้านกุดกว้างทั่วไกลหรือใกล้กัวจะไปไม่ถึงอาตมาว่าดังนี้และผู้ออกจะว่าอย่างไรสาธิดพรจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปเรียกเท่าแก่พี่น้องผมเข้ามาพูดกับท่านในที่นี้แล้วแกก็ถือดาบถือด้านขวานที่ถือมา เดินกลับออกไปบอกหมู่ของแก่ให้เข้ามาหาข้าพเจ้าที่เดินมีหน้าหอตะปูตานั้นแต่คิดพรได้หมู่คนหนุ่มทั้งหลายได้พากันกลับบ้านทํากิจการงานของเขาไปหมดคงมีแต่ผู้ใหญ่บ้านทายกวัดเท่าจำปีก็อีกรวมกันเป็น9้าคนเดินเข้าไปหาข้าพระเจ้าผู้คิดพรที่พากันกลับบ้านแล้วเห็นจะจนคําพูดของข้าพระเจ้า ที่ได้พูดกันไปแล้วนั้นจิงได้พากันกลับบ้านก็ไม่รู้เพราะข้าพเจ้าปูดไม่ให้มีทางเอาผิดได้ข้าพเจ้าถามว่าผู้ผู้ออกคือแขก บ, บ้านผู้ใหญ่บ้านแก่จึงบอกชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านจานเบา้าส่วนคนนั้นชื่อนั้นๆไปเต็มหมดข้าพเจ้าจึงกล่าวตอบไปว่าดีแล้วก็ออกผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพวกผู้ออกทั้งหลายเดินเข้ามานี้ คนชื่ออะไรที่เขาเดินไปบอกพวกพ่อออกมหาตมานี้เขาว่าอัตมามาไหวปู่ตาพ่อออกบ้านสพแต่นี้ว่ามันผิดมันผิดอะไรผิดปู่ตาหรือข้อประกาศห้ามก็พวกโยมชาวบ้านได้มีประกาศห้ามกันไว้ว่าตะปู่นี้ห้ามมิให้พระมาไหวกันดังนี้ประการใดอัตมาขอทราบเพราะอัตมาไม่เคยได้ยินว่าพระหรือคนใคร ด้ไหวสปูไหนว่ามันผิดยังไหาสมามาแล้วมานีิจจีเลยอาตมาเพิ่งมาได้ยินว่าวหวสปูผิดวันนี้เองโยมผู้ใหญ่บ้านแกพูดว่าผมก็ยังไม่เคยได้ยินว่าใส่ไหวปู่ตาว่ามันผิดดังท่านอาจารย์พูดนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินมาคือกันกันกบพท่านอาจารย์นั้นอีกแหละพิคภรมันพูดกันกับท่านอาจารย์นั้น มันนึกถ้าใจคำพูดของท่านอาจารย์มันพูดผิดไปกระมังพวกผมอยู่นอกก็ดีนเหมือนพูดผู้ผมก็เข้าใจว่ามันพูดผิดอยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงพิจนารณาคำพูดของผู้ปุ้ใหญ่ตลอดถึงใจเขาว่าพากันตัวผีตาปูยังไม่มีที่เปรียบเลยข้าพเจ้าจึงนิดขึ้นในใจว่าจะตั้งสำนักโในดอนนี้ตั้งลงได้แง่ กบเจ้าจึงมองพิจารณาดูดอนกบเจ้าไม่ชอบป่าไม้ ห, ห่างพื้นพีก็เป็นนอนสูงขึ้นจากพื้นดินธรรมดาเล็กน้อยดอนก็ไม่กว้างใหญ่ถ้าไม่ใช่ท่านอาจารย์ให้ไปสร้างขึ้นข้กบเจ้าไม่จัดขึ้นแล้วเพราะไม่เหมาะสมแต่นี้หากไม่เห็นว่าท่านอาจารย์สั่งให้ไปจัดขึ้นเท่านั้นจึงคิดหาทางจะจัดขึ้นให้ได้